พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่10บธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าม้าอาชาในวันนี้เป็นวันที่สิบ ธันวาคมพุทธศักราช2554วันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันเดือนหนึ่งเพนตตามจันทรคติวันเดือนหนึ่งเพ่วันวันนี้ตรงกับวันเสาร์ตามจริงพุทธศาสนิกชนของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าผู้ ใส่ใจผู้สนใจผู้ใส่ใจในการสั่งสมผุนงามความดีในการสร้างบุญสร้างกุศลก็ควรจะเสียสะละเวลาเวลาหาโอกาสมาทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจแต่ทั้งนี้ทางนั้นหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าขอร้องหรือว่าบอกให้มา แต่ตามไม่จริงวัดวาศาสานาอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสงฆ์อยู่ในพระพุทธศาสานาเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเป็นผู้ฝังตัวไว้ใน พ, พุทธศาสานาเป็นผู้รักษาศีลศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วก็เป็นผู้เสียสละทานอาหารมื้อเดียวอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น อันนี้ถางว่าไปใครได้เปียบเสียเปียบไม่มีใครได้เปียบเสียเปียบคล้ายๆว่าศรัทธาคือความเชื่อหลวงพ่อก็ไม่มีใครขอร้องให้มาบวชพระสงฆ์ทั้งหลายเหมือนกันคือมาด้วยศรัทธาว่าอันนี้คือเป็นหนทางที่ดีที่สุดในจุดหนึ่งในบรรดาเราดาเนินชีวิตมาทั้งชีวิต บางทีก็ห้าหกสิบปียี 20, ่สิสามสิปีจุดไหนเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของชีวิตถ้าเราจะปล่อยปล่าละเลยแต่ละวีดแต่ละวันผ่านไปผ่านไปกับชีวิตแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเป็นชีวิตที่เลื่อนลอยไม่มีเป็นไม่เป็นชีวิตที่ไม่มีจุดเด่นหรือว่าไม่มีจุดที่จะสร้างบุญสร้างกุศล เข้าสู่จิตใจของเราแต่เราเพียงแต่คิดว่าเพื่อหาเลี้ยงชีพเฉยๆอยู่เป็นวันๆไปถ้าคิดได้เพียงแค่นั้นมันก็ได้เพียงแค่นั้นอยู่เป็นวันๆอยู่คอยวันตายถ้าอยู่อย่างนี้คอยวันตายไหมใช่คอยวันตายเหมือนกันแต่ว่าเราได้ฝ่ใจสนใจได้ศึกษา ว่าก่อนที่จะตายนั้นน่ะด้ว่าก่อนที่จะถึงจุดนั้นน่ะเราควรทำตนอย่างไรอันนี้ในหลักของพุทธศาสนาที่ท่านสั่งสอนแนะนำสั่งสอนไว้แล้วเป็นตัวอย่างไว้แล้วอันนี้เราเดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพระหานประสาวกที่ท่านพาดำเนินมาแต่ถ้าว่าเราอยู่อย่างนั้นเราเดินตามใครเราก็ว่าเดินตาม พ่อแม่ปู่ย่าตายายเกิดมาแล้วบางคนก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่ๆไปพอเนื่อถึงก็ถึงจุดจบก็ตายไปก็ไม่เห็นมีอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรจริงๆแต่ตามไม่จริงถ้าเราศึกษาแล้วจะเห็นว่ามีอะไรถ้าเราได้ศึกษาถ้าเราได้ปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันมีอะไรมันมีอะไรอยู่ในใจรู้แก่ใจว่ามีอะไรรู้ เพราะนั้นพวกเราต้องศึกษาในจุดนี้ถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้เพราะวิชาในโลกมีมากมายอย่างที่หลวงพ่อได้เปรียบเทียบให้ฟังมากมายจริงๆแต่ว่านี้ที่พวกเราศึกษาเนะี่ยคือวิิวชาพุทธศาสนาสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเราไปอยู่ในสถานที่ไหนอยู่ใสถานที่อย่างไรก็ให้รู้จัก เดี๋ยวนี้เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเราก็ควรทําตนให้ดีพราเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาวันับว่าโชคดีอย่างมากแล้วเราควรจะทําตนอย่างไรในเมื่อรบพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าพวกเราไม่ได้สนใจปล่อยป่าละเลยเฉยเฉไปมันก็เท่านั้นเหมือนจะไปเกิดยจนพบเพชรนินจินดา ทั้งที่จะกอบโกยทั้งที่จะสะแสวงหาทั้งที่จะเก็บหอมรอมริบทั้งที่จะใส่ใจในการเก็บเพชรนินจินดาเหล่านั้นให้เป็นสมบัติของตนเองติดกระเป๋าของตนเองไปพอไปเห็นแล้วก็เฉยๆมันก็เห็นก้อนกรวดก้อนหินไปเดินให้จากนั้นก็เดินผ่านไปแต่นู่นผ่านไปแล้วเนี่ยผู้ที่เขาได้เพชรนินจินดาเขาเอามาใชา้เอามาเกิด มาขายตัวเองยังค่อยรู้สึกแต่ตัวเองทำยังไงได้ไปเขาหน้าก็ไปเห็นแต่เขาตัวเองก็จนอีกอย่างเก่าเพราะเหตุเพราะเหตุใด เ, เ, เพราะตัวเองไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจต่อคุณงามความดีใ น, นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราพุทธศาสนิกชนหรือ ว, วัลุกวิชิ์ของพระพุทธเจ้าอุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าควรจะใช้ สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดในหลักของพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือให้รู้จักกาละเทศะการสถานที่บุคคลบุคคลเช่ยงไรการเช่นไรบุคคลเช่นไรทำตนอย่างไรอย่างเนี้ยทำตนอย่างไรเมื่อเข้ามาอยู่สถานะนี้ควรทำตนอย่างไรสั่งนี้ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าของเราประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านปารพบ ส, สารีบุตรเถระที่เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าคือพอออกพรรษาแล้วพระ ส, สงฆ์ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายต่างก็ออกไปประกาศเผยเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างถิ่นจากนั้นก็ได้เดินทางกลับมาที่กรุงสาวัตถี แต่คราวนั้นก็รู้สึกว่าพระสงฆ์พระพุทธองค์พร้อมกับพระสงฆ์ก็ได้มาระษาลิบุตรก็ได้เข้ามาพร้อมกันที่วัดป่าเชตตะวันจากนั้นจัตไทายาิโยมในเมืองเขาประกาศว่าพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาถึงแล้วกับพร้อมกับพระสงฆ์พวกเราจะถวายอาคัรทุกกะพัดอย่างไรอาคัรทุกกะพัตก็คือพัดอาหารที่พระสงฆ์มาจากต่างถิ่น ถ้าท่านยังเหนื่อยอาหารถ้าท่านไปเที่ยวทุโรงมาอาหารของท่านคงจะไม่พอเพียงพอพวกเราควรจ ะ, ะระดมถวายอาหารท่านเนนะอาคันทุกกะพัดแต่นี้นก็มีพระที่จัดลำดับพระสงฆ์ว่าศรัทธาญาติโยมคนนี้มมนพระกี่องค์เก้าองค์บ้างสิบองค์บ้างยี่สบองค์บ้างสี่ห้าองค์บ้างทัานก็จัดจัดจัดไป แต่พระสารีบุตรท่านยังก็อยู่ในวัดท่านก็ไม่เตือนออกมาช้าๆที่มาหาพระที่จัดไปแล้วก็ยังเหลือพ ร, พระสารีบุตรองค์เดียวแล้วก็มียายแก่คนหนึ่งเทอเนี่ยเข้ามากับ ง, งๆกั น, นๆเลยเข้ามากับมักรว่าพระหมดท่ายังถามพระที่จัดที่จัดพระให้ให้ใหแกศรัทธายาดโยมโอ้ ย, ยังเหลือแต่พระสารีบุตรองค์เดียวยังอยู่ โยมโอ้ท่าอย่างนั้นโยมขอท่านภาษาลิบุตรไปบ้านของโยมด้วยเถินเฮเผาเนั้นคือเอาก็เลยมอบภาษาริบุตรก็โยมคนนั้นก็นิมนต์โยมคนแก่ผู้หญิงแต่นี้พอทราบข่าวถึงพระเจ้าปเสินที่กลัวสนว่าภาษาลิบุตรคล้ายๆว่าท่านรู้พระพุทธเจ้าเบอร์หนึ่งภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรก็เบอร์สองโมคลากับเบอร์สามให้เข้าว่าเป็นที่ สนใจของพุทธศาสนิยชนอยู่ภะษาริบุตรไปไหนอย่า ง, งไรท่านี้คนเขากดตกได้คนแก่คุณแก่นิมลปไปชันที่บ้านาพญาประเสณอูอาหารก็ไม่เพียงพอจะละมั่งก็เลยเอาผ้านุ่งห่มให้ชุดหนึ่งให้แต่งตัวจะก่อนนา ย, ายส่งคนไปและก็เอาเงินไปให้อีกพันกระหาปณะนะและก็อาหารให้อีก ตอนนี้อนาถาเมติกาเศรษฐีนางวิสาขาทั้งหลายทั้งปวงก็ทำอย่างนั้นอีกเหมือนกันส่งไปให้เพื่อว่ายายแก่คนนี้อายุมากแล้วอาหารก็คงจะไม่เพียงพอของต่อพระสารีบุตรแต่นี้เขาสั่งคนก็สั่งส่งของมาให้เพื่อถวายพระสารีบุตรแล้วก็ส่งเงินมาให้ยายด้วยส่งเครื่องแต่งตัวมาให้ยายด้วยเพราะที่สุดวันนั้นยายก็เลยรวยอู้ฟู่ขึ้นมาเลย พอ่นพอนิมน์พรอนิมนต์ภาษาลิบุตรมาฉันที่บ้านคนเอาของมาให้แล้วก็มอบเงินให้แกยายด้วยแต่สมัยนั้นเขาไม่ได้ถวายเงินถวายจตุปัจจัยพระพ ส, สงฆ์มีแต่ถวายอาหารฮะอจากนั้นก็ยายก็ถวายอาหารภาษาลิบุตรก็ให้พรจบเรียบร้อยก็ภาษาลิบุตรก็กลับวัดพระสงฆ์ทั้งหลายเขาก็เลยพูดขึ้นมาโอ้ภาษาลิบุตรไปโปรดโยมแกผู้ผู้หญิงแกคนนั้นะเออจน มีความสมบูรณ์ขึ้นมาด้วยอเ น, นสงบุญกุศนของยายแท้ๆพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้พูดกันในศาลาพระพุทธเจ้าได้ยินด้วยโสตทิปคือหูหูทิปของพระพุทธเจ้าทั้งกระเสดลงมาที่ศาลาท่านกระถามว่าพวกเธอพูดกันเรื่องอะไรพระสงฆ์ก็ได้กลับทูลพระพุทธเจ้าพูดกันเรื่องภาษาลิบุตรไปฉันที่บ้านโยมแก่ครับผมโยมผู้หญิงวันนี้ก็รู้สึกว่า โยมคนรู้สึกว่าปีติยินดีน่ายินดีกับโยมผู้หญิงแก่ผู้เฒ่าคนนี้ละเกินเพราะพระพองค์บอกว่าสารีบุตรไม่ใช่โปรดแต่โยมคนนี้คนครั้งนี้ครั้งเดียวนะในอดีตชาติสารีบุตรก็เคยโปรดมาแล้วนะเป็นเคยเคยเป็นทายาทเคยโปรดโยงแก่คนนี้มาแล้วสารีบุตรพระสงฆ์เลยกราบปูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระพุทธเจ้าค่ะ พระ อ, องค์ก็บอกว่าสมัยนั้นยายแกอยู่ในวนบทแต่ยายแกคนนี้เป็นเศรษฐีมาก่อนตระกูลเศรษฐีแต่ตกทุกข์ก็เลยออกไปอยู่พ่อแม่ก็เลยพาลูกหกละเหินไปอยู่ในป่าป่ารงไปอยู่บ้านนอกไปอยู่ในบ้านนอกแต่นี่ก็มีพ่อค้าม้าพ่อค้าม้าไปหาซื้อม้าขายตามหัวเมืองต่างๆคือสมัยนั้นสินค้าม้าเป็นสินค้าของพระราชา ช้างม้าเนะ่ยเอาไปขายเป็นพ่อเป็นเออเพื่อจะรบศึกสงครามแต่นนี้นพ่อข้าม้าก็ไปซื้อพ่อม้าแล้วก็ขายผ่านไปเห็นบ้านยายอยู่อยู่ในเหมาะที่จะที่จะพักผ่อนจากนั้นก็เลยเตรียมม้าไปเลยจะไปพักที่บ้านของนั่นนะบริเวณบ้านของยายแต่พอไปถึงม้าทั้งหลายทั้งปวงที่เอาไปเนี่ย จะเอาเข้าบริเวณเอาเข้าบริเวณบ้านของยายม้าตัว น, นี้กลัวหมดท่านี่ยไม่กล้าเข้าในหัวหน้าพ่อค้าม้าใหญ่ก็เลยถามเขาว่ยายอยู่ในบ้านเนะนี่ยมีม้าไห้เนี่ยมียายบก่กมีม้าอยู่ตัวนึงมันไปที่ไหนล่ะมันออกไปหากินเดี๋ยวค่ำๆก็จะมาแล้วฮแต่พ่อค้าม้าเนี่ยสงสยัยแหละม้าตัว น, นี้ต้องเป็นม้ามีอำนาจต้องเป็นม้าอาชไนแน่ๆ พรม้าพวกนี้มันกลัวเนะพราะถูกกินออุจจระของม้าตอนนั้นเรามันไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยคล้ายๆว่าขยาดเลยเมันเร็วกว่ากันนะข่อยฝีเท้าฝีมืออะไรทุกอย่างพอไปพอเย็นๆม้าตอนนั้นก็เข้ามาเพราะเข้ามาเลยพอพอค้าม้าก็เห็นโอ้โหม้าตอนนี้เป็นม้าอาชนายแน่เลยรูป ล, ลักษณะท่าทางแต่เขาก็สังเกตเข้าไปอีกแบบตามปกติม้าอาชนายนี่ มันจะไม่กินพวกแกบพวกลำกินข้าวข้าวเปลือกนะมันจะกินข้าวสาลีกับน้ำผึ้งแล้วก็กินอาหารอย่างดีถ้าว่ากินผักกินหญ้าก็ต้องกินสามใบกับยอดใครข้าว่าเธอจะให้ม้าอาชนายกินเนี่ยต้องสรรหาสามใบกับยอดสามเเท่านั้นจะไม่กินเป็นเขา เป็นเถาวันเป็นเครือมันจะไม่กินเขาจะคัดสรรอย่างดีแต่จะให้ม้าอาชนายกินแต่ใ น, นพอมาม้าตอนนั้นมายายก็ เ, เทเข้าวตังลำํำข้าวเปือกคุกกันแล้วก็ม้ามันก็มากินกินของยายพอกินเออพอ้าม้าก็สังเกตตามไม่จริงม้าอาชนายเนี่ยมันต้องกินข้าวตอกกับน้ําพึ่ง อาหารอย่างดีต้องคัดสรรแต่ม้าตัวนี้แต่มันลักษณะเหมือนม้าอาชนายจริงอยู่แต่ว่ามันทําไมกินอาหารอย่างนี้พอข้ามมาเขาก็สงสัยแต่เอาเถอะแต่ว่าลักษณะท่าทางแล้วถูกตามที่ได้ดูตํารามาว่าเป็นม้าอาชนายแน่ม้าตัวนี้ก็เลยเข้าไปหายายบอกว่ายายขายชนะม้าตัวนี้นะ พราะว่าผมยายเลี้ยงม้าอยู่ตัวเดียวเนี่ยเทํำม้าตัวเดียวมันไม่ดีหรอกเดี๋ยวมันจะดุร้ายขึ้นมาต่อไปภายภาคหน้าถ้าเอาไปขายพวกผมซะผมจะให้ราคาแพงที่สุดเลยให้ยายยายก็เขา ข, าขนเงินถุงเงินมาให้ยายก็แพ้เงินเหมือนกันนะทั้งที่เลี้ยงมาตั้งแต่เหมือนลูกโอ้ที่แรกขายไม่ได้ละเหมือนกับลูกตั้งแต่พ่อค้าม้าคนก่อนนะ่ะ พอค้ามาคนก่อนที่มาพักอยู่นะพอมีม้าลุออกลูกกลางคืนพอกุกคืนพวกม้าเหล่านั้นเขาก็จะไปเถอะมา้าม้าน้อยมันไปด้วยไม่ได้ไปด้วยก็แม่ไม่ได้ไอยายก็เลยบอกเออถ้ายัางไงให้ม้าตัวนี้นะกับเงินอีกเป็นค่าพักที่บ้านของยายยายก็เลยได้ม้าน้อยตัวนั้นแหละกับเงินนะ่ะก็เลยเลี้ยงไว้รักเหมือนกับโลกเลยงนะั้นแห่ะพอต่อมากันนี่แหละมพอค้า กลุ่มหนึ่งมาอีกมาเห็นมา้าตัวนั้นมันใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มแล้วเริ่มเป็นหนุ่มแล้วจากนั้นก็ต้องใจว่าม้าตัวนี้เป็นม้าอาชไอ่จากนั้นเลยเอาเงินให้เอาผมจะให้ม้าสีขาผมจะให้ขาแล ต, ตีนและตีนแลถุงถุงละพันกั ห, า, หนานะปนะไม่ใช่น้อยเงินก็หาปะหนะจำไม้นั่นนะแล้วก็เอาให้ทางหน้าอีกถุงหนึ่งเอาให้ทางหลังอีกถุงนึง รวมเป็นหกถุงยายได้เงินหกถุงก่อนดีใจอจากนั้นเขาก็ให้เสื้อผ้าอีกให้ยายแต่งตัวชิสวยหรูอะไรงั้ยนั่นแหลพอแต่งมาเสร็จแล้วก็มาเดินต่อมายืนอยู่ต่อหน้าม้าอาชนั이อะไรนั่อพอมาเลยม้าอาชนา이ก็เดินเข้าไปหายายเอน้ําตาไหลแล้วเงี้ไม่อยากจะหนีจากยายเหมือนกันนะมา้ามันรู้สึกเออยายก็บอกเอ้ยลูกเอ้ยแม่เลี้ยงลูกมาก็นาน แล้วก็มาอยู่ต่อไปถ้าอยู่ตามลําพังก็คงจะไม่เหมาะเพราะตัวเดียวเพราะนั้นให้ไปอยู่กับพ่อค้าเขารับประกันทุกอย่างจะไม่ให้ทุกอยากลําลบากแม่ก็เหมาะให้เขาแล้วแม่ก็ได้เงินแล้วลูกก็ไปอยู่กับเขาเนาะมาาต่นนั้นก็แสดงความยินดีป๋อยายอนุญาตแล้วจากนั้นเขาก็เอาไปเลยตอนนีนพออ้พอไปพอไปพอถึงตกตอนเย็นมา เขาเอะหมาอาชนายเนี่ยมันต้องกินของอย่างดีนะแต่หมาตัวนี้ทําไมมันกินยายเขาเลี้ยงกินทั้งแกบกินทั้งลํากินทั้งข้าเปลือกกินหมดนะ่ะกินเข้าตังนะ่ะแต่ห ม, มาดนะีมันจะไม่กินนะผลที่สุดก็เลยเขาก็เลยเ อ, เอาให้อาหารอย่างเก่านะแล้ว ใ, ให้อาหารอย่างเก่าพอเทอาหารให้หมาตัวนั้นยืนเฉยไม่กินอาหารนะพ่อค้าหมาก็เลยบอกว่าวอ้าว ตะกอนอยู่กับยายเนี่ยเธอเน่กินทุกอย่างที่ยายเอาให้กินแต่บัดนี้เราก็ให้อาหารเหมือนกับยายเอาให้แต่ทำไมเธอจึงไม่กินมาตัว น, นั้นก็เลยพูดเป็นภาษาคนขึ้นว่าถ้าหาว่าสมัยใดคนทั้งหลายไม่รู้จักว่าข้าเนี่ยชาติตระกูลจศถานดาศักเรื่องความสามารถของข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ข้าพเจ้าก็ทาได้ทุกอย่าง แต่บัดนี้พวกท่านรู้แล้วว่าเนี่ยข้าเป็นม้าอาชะนาย เ, เราจะทําอย่างพวกท่านเ อ, อต้องการไม่ได้เราต้องมีศักดิ์ศรีพูดง่าย เ, เราต้องมีศักดิ์ศรีม้าอาชะนายเราต้องทําตนเหมือนอม้าอาชะนายจะทําเหมือนม้าทั่วไปไม่ได้พวกพ่อข้าม้าก็ได้ยินอย่างนั้นเอ อ, เ อ, อจากนั้นก็ยอมรับ จากนั้นก็ปฏิบัติให้ถูกต้องม้าตัว น, นั้นก็เลยกินอาหารจากนั้นก็ได้นําม้าตัว น, นั้นเข้าไปสู่กรุงพหานสีพอกรุงพหานสีก็กั้นม่านอย่างดีให้ม้าตัวนี้อยู่ม้าจมนวนอื่นก็อยู่ส่วนอื่นผลที่สุดพระเจ้าพหลนสีมาเอาทําไมม้าตัว น, นั้นมันพิเศษอย่างไรเนี่ยพอค้าม้าก็บอกว่าม้าตัว น, นี้เป็นม้าอาชนายัยเป็นม้าที่มีฝีเท้าเยี่ยมมากหนี่ยพระเจ้าพหานสีก็อยากจะให้ทดลอง่ะ พอม้ า, มาขึ้นขี่หลังควบเลยงั้นเองบิ้งบิ่งรอบสนามงังในประไตวิโดกน์นบอกว่าขนาดบิ่งรอบสนามเลยไม่เห็นมา้าไม่เห็นขนเห็นถ้าผ้าแดงเรียงกันเลียงกันเลยของมันมันวิ่งเร็วถึงขนาดนั้นเหมือนกันเอยจนพระเจ้าพราณีสียกให้เป็นม้าอาชนัยประจําเมืองไปเลยนีกะก็ยกนายจัรทีเป็นผู้เป็นอุปราชขึ้นมาไง นี่แหละพระพุทธองค์บอกว่าในภาษาริบุตรเนี่ยเคยสงเคราะห์อนุเคราะห์ยายแก่มาแล้วแต่สมัยเป็นม้าก็ได้สงเคราะห์ยายยายก็ล่ํารวยขึ้นมา ล, มลืมตาอ้าปากได้แต่มาคราวนี้เนี่ยภาษาริบุตรก็เป็นผู้สงเคราะห์ยายแกคนคนเดียวกันนี่ยแต่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ใดถ้าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครน เราจะไปพยองพองตัวอย่าไปอวดสักอวดศีว่าข้าเนี่ยเป็นอย่างงุ้นเป็นอย่างนี้แมแต่เขารู้แล้วว่าเราเป็นใครเราจะไปทำเหมือนแตศีแตสาไม่ได้เราต้องมีศักษีนรีนิทานเรื่องเรื่องม้าอาชนายในเรื่องนี้นี่แหละอันนี้ก็คือเป็นกติธรรมสอนพวกเราท่านทั้งหลายไปอยู่นสถานที่ใดอย่าลืมตัวให้รู้จักประมาณตนว่าฆ่าเป็นใคร ถ้าเราเป็นพระเราก็อยู่อย่างพระแต่ย่อเป็นภักขธรรมเราก็อยู่อย่างพระกขธรรมอยู่แบบเยี่ยมตัวและก็พร้อมกันกับปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้เป็นศีลเป็นธรรมอย่าไปทําอะไรนอกลูนอกทางให้รู้จักตัวเองว่าเราเป็นใครเราเป็นสากยบุตรบุตรของพระพุทธเจ้าเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าเราก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมให้มีกิริยามารยาทให้มีศีลธรรมจริยธรรม นี่แหละถ้าว่าปรับปรุงตัวถูกต้องแล้วอยู่ณสถานที่ใดเจริญรุ่งเรืองทั้งนั้นน่ะแก่หนามาอาชนายมันอยู่กับยายมันกินได้ทั้งหมดทั้งกาเปลือกทั้งลำทั้งแกบทั้งข้าวตังทั้งหญ้าป้องที่เขาขนมาให้กินได้หมดแต่พอมาอยู่กับในพ่อค้าม้าเนี่ยที่เป็นพรามเน่ย ดูลักษณะม้าออกว่าม้าตัว น, นี้เป็นม้าอาชะนายม้าอาชนายัาาชนายาก็มีศักดิ์ศรีขึ้นมาเลยข่าจะทำเหมือนอย่างนั้นไม่ได้เพราะพวกท่านรู้แล้ ว, วข้าเนี่ยเป็นม้าอาชนายัยข้าต้องทาตนเหมือนม้าอาชะนายยกศักดิ์ศรีขึ้นมาเพราะท่านพวกท่านรู้แล้วข้าเป็นใครในิทานชาดกเรื่องต่างๆที่พวกเราได้ศึกษาดูแล้วเนี่ยมันมีแนวความคิดแล้วว่าไปสอนสติปัญญาอยู่ในนั้นเสร็จ ไปอยู่ในสถานที่ได้วางตัวให้ถูกกาละเทศบุคคลการสถานที่บุคคลวางตัวให้ถูกถ้าเราไม่รู้จักกาละเทศบุคคลไปที่ไหนซื้อบื้อซื้อบื้อเลยขวางเขาทั้งหมดโอ้วันนี้หลวงพ่อจะไปทางไกลด้วยแต่ก็อดที่จะพูดแนวความคิดให้แก่ลูกหลานคณะัทธา ญ, ญาติโยมให้ฟังฮะเพราะวันวันนี้เป็นวันสําคัญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเอาตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร